ข้อพุทธที่เกี่ยวกับภาวะหลังสิ้นชีพของพระอรหันต์ขอคอแก้ความเห็นผิดว่าพระอรหันต์ตายแล้วศูนย์ดังมีเรื่องราวในยมกสูตรสังยุตตนิกายขันธวารวักว่าครั้งหนึ่งพระพิสุขชื่อยมกะมีความเห็นผิดว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าพระอรหันต์ตายแล้วขาดศูนย์ ภิกษุทั้งหลายพยายามเปลื่ยนเธอจากความเห็นผิดแต่ไม่สําเร็จจึงพากันไปร้องขอพระสารีบุตรให้ช่วยแก้ไขพระสารีบุตรได้ไปหาพระยะมะกะและได้สนทนาดังความต่อไปนี้พระสารีบุตรถามว่าเป็นความจริงหรือท่านยะมะกะข่าวว่าท่านเกิดความเห็นชั่วร้ายอย่างนี้ว่าข้าพระเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่า ภิกษุผู้เป็นขีณาศพถัดจากกายแตกทำลายก็จะขาดศูนยพินาศหายสิน้นหลังจากตายจะไม่มีอยู่อีกพระยะมะกะตอบว่าอย่างนั้นแหละท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรถามว่าท่านยะมะกะท่านสำคัญว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระยะมะกะตอบว่าไม่เที่ยงครับท่านพระสารีบุตรถามว่า เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงพระยมกะตอบว่าไม่เที่ยงครับท่านพระสารีบุตรจึงกล่าวว่าเพราะฉะนั้นแหลรูปเวทนาสัญญ า, ส, ญญาสังขารวิญญาณอย่างหนึ่งอย่างใดทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันทั้งหมดพึงเห็นด้วยสัมมาปัญญาตามเป็นจริงอย่างนี้ว่า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 ท่านสำคัญอย่างไรท่านยามกะท่านมองเห็นรูปว่าเป็นตถาคตหรือพระยมกะตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุภาษารีบุตรถามว่าท่านมองเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือพระยมกะตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุภาษารีบุตรถามว่าท่านสำคัญว่ายอย่างไรท่านยามกะ ท่านเห็นว่าต ถ, ถาคตมีในรูปหรือพระยมกะตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสาร assembly, weil, ucker, elin, IS, ีบ <ten> ุตรถามว่าท่านมองเห็นว่าตถาคตมีตังหกจากรูปหรือพระยมกะตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรถามว่าท่านมองเห็นว่าตถาคตมีในเวทนามีตังหาจากเวทนา มีในสัญญามีต่างหากจากสัญญามีในสังขารมีต่างหากจากสังขารมีในวิญญาณมีต่างหากจากวิญญาณหรือพระยะมะกะตอบว่ามิใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรถามว่าท่านสําคัญว่าอย่างไรท่านยะมะกะท่านมองเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตถาคตหรือพระยะมะกะตอบว่า ม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรถามว่าท่านสำคัญว่าอย่างไรท่านยมกะท่านมองเห็นว่าตาคานี้นั้นเป็นสภาวะไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณหรือพระยมกะตอบว่าไม่ใช่เช่นนั้นท่านผู้มีอายุพระสารีบุตรถามว่านี่แนะ่ท่านยมกะ ในปัจจุบันนี้เองที่ตรงนี้ท่านยังหาตถาคตโดยจริงโดยแท้ให้เห็นจริงมั่นเหมาะลงไปไม่ได้ควรหรือที่ท่านจะกล่าวถแถลงว่าข้าพระเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วว่าภิกษุผู้เป็นขีณาศพต่อจากกายแตกทำลายก็จะขาดสูญหายสิ้นหลังจากตายจะไม่มีอยู่อีกพระยะมะกะตตอบว่าข้าแต่ท่านสารีบุตร แต่ก่อนเมื่อยังไม่รู้ผมจึงได้มีความเห็นชั่วร้ายนั้นแต่เพราะได้สดับธรรมเทศนาของท่านสารีบุตรนี้ผมจึงละความเห็นชั่วร้ายนั้นได้แล้วและผมก็ได้บรรลุธรรมแล้วพระสารีบุตรถามว่าแน่ท่านยมกะถ้าชนทั้งหลายพึงถามท่านอย่างนี้ว่าท่านยมกะภิกษุผู้เป็นอรหันตขีนาศหลังจากร่างกายแตกทํำลายตายไปแล้วจะเป็นอย่างไร ท่านถูกถามอย่างนี้แล้วจะกล่าวชี้แจงว่าอย่างไรพระญมกะตอบว่าผมเพิ่งกล่าวชี้แจงอย่างนี้ว่ารูปแรเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นดับแล้วสิ่งนั้นถึงความไม่ตั้งอยู่แล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นสิ่งไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นดับแล้ว สิ่งนั้นถึงความไม่ตั้งอยู่แล้วข้าพระเจ้าถูกถามอย่างนี้พึงกล่าวชี้แจงอย่างนี้ภาษาเรียุตรจึงกล่าวว่าดีแล้วดีแล้วท่านยะมะกะจากนี้มีความอุปมาต่อไปอีกแต่ไม่นำมาลงไว้เพราะจะยืดยาวมากคําว่าตถาคตในสูตรนี้อัรถกถาไขความว่าหมายถึงสัตว์หรืออย่างที่มักเรียกกันว่าสัตว์บุคคล